ก็ถือว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเลือกอาหารหรือปัจจัยยังชีพทั้งหลายควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายมักน้อยสันโดษโดยดำเนินตามหลักอริยวงสี่ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้คือหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามีตามได้ เป็นผู้มีปกติสรนเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยจีวรตามีตามได้ไม่ประกอบอเนสนาคือการสแสวงหาในทางที่ผิดเพราะเห็นแก่จีวรเมื่อไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้จีวรก็ไม่ติดไม่สยบไม่หมกมุ่นยอมใช้สอยอยยังรู้ทันเห็นโทษมีปัญญาสลัดตัวออกได้และทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น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 ชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมอีกทั้งเธอไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีการเจริญกุศลธรรมเป็นที่เรื่นรมด้วยความชื่นชมยินดีในการเจริญกุศลธรรมด้วยความเป็นผู้มีการละอกุศลธรรมเป็นที่เรื่นรมด้วยความชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมนั้นภิกษุใดาชานฉลาดไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่น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 ศีล ส, สำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นพระอัฏฐกะถาจาร์ประมวลเข้าและจัดเป็นประเภทได้สอย่างเรียกว่าปาริสุทธิ์ที่ศีลสีหมายถึงศีลเครื่องให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลมีสประการคือหนึ่งปาติโมกสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกเว้นข้อห้าม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 คือเมื่อตายเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสิ่งกระทบและใจรู้คิดเรื่องราวต่างๆท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยสติพึงสังเกตว่าอินริยสังวอ น, นั้นในบาลีท่านจัดเข้าในหมวดสมาธิเช่นในทีฆานิกายสิละขันธวัช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 และไม่เอาลาบต่อลาบเช่นให้ของน้อยแก่เข้าไปเพื่อว่าเขาจะได้ถวายมากตอบมาเป็นต้นท่านวาสีนข้อนี้สำเร็จด้วยวิริยะข้อที่สี่ปัจจัยสันนิสิตาสีนสีนที่เกี่ยวกับปัจจัยสีได้แก่ปัจจัยปัจจเวก